ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดท่านพูดเสมอเวลาเทกไปสัมผัสหรือพูดไปสัมผัสท่านจะนำออกมาพูดเสมอตอนที่เขียนไม่เหมือในมุตัตไทยก็ดูเหมือนมนแต่ท่านท่านไม่แยกท่านพูดรวมๆ ม, มาไว้นี่เวลาเราเขียนมาราทุกแยกออก คือผู้เขียนันไม่ไม่แย่ท่ามุตโตไทยก็ไม่แย่ท่านพูดบางครั้งท่านก็ไม่แย่แต่ก็ทราบได้พราะยกต้นขึ้นมาแล้วกิ่งก้านก็มาด้วยกันว่าธรรมะของพระพุทธเจา้าตามธรรมชาติแล้วเป็นของบริสุทธิ์แต่เมื่ออาศัยมาถึงสถิตอยู่ในปุถุชนก็กลายเป็นธรรมะปลอมนะ เมื่อสื่อิทธิ์อยู่ในพระยะบุคคลจึงเป็นธรรมจริงธรรมะแท้มีท่านพูดรวมๆเอาไว้ธรรมะอริยบุคคลมีหลายชั้นพระโสดาก็เป็นพระยะบุคคลขั้นต้นสัิทานาคาอ ร, รหัตเป็นสื่อ เมื่อแยกแล้วก็พระโสดาผู้บรรลุพระโสดาบันธรรมะในขั้นพระโสดาบันก็เป็นธรรมะอินธรรมะบริสุทธิ์สำหรับพระโสดาแต่สกิทาคาอนาคาอรหันในธรรมขั้นเหล่านี้พระโสดาจงต้องปรอมแม้จะจดจำได้รู้แนวทางที่ปฏิบัติ อู่ก็ตามก็ยังตอมอยู่ทั้งรู้ถ้ากิธาก็ยังตอมอยู่ในขั้นอนนาคาอรหันต์ถ้าอนนาคายัางตอมอยู่ในขั้นอรหัตธรรมจนกว่าว่าถึงบรรลุถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วนั่นแหละทำสมบูรณ์จนส่วนภายในใจิตใจไม่มีตอมเลย บางรายก็ค้านมาทำของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของจริงเป็นของมือสูดอยู่ที่ไหนต้องมือสูดเช่นเดียวกับทองคำน่าจะตกลงในตมในโคนก็ต้องเป็นทองคําถ้าไปตมไปโกนงไปไม่ได้ถ้าไม่ได้บอกนห่นทองคําก็ก็ต้องเป็นทองคําแต่ว่าเราจะปฏิเสธได้ยังไงว่าไม่มีตมมีโกนติดเปลือนทองคํานั้นนะ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 มีใจเท่านั้นเป็นคู่ควรแก่ทำที่นี่ใจยังมีความสกรปรกมากน้อยเพียงไรทำที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องมีความสกรปรกไปด้วยนท่านเรียกว่าปลอมหมายให้ไม่บริสุทธิ์แค่ <c oughs> ทีนี้แยกจากนั้นมาเช่นมาดูในคำภีบ์ใ บ, ใ, บใบลานตามตำหลักตำลาก็เป็นธรรมแต่เราไปเรียนมาจากนั้นมาจดมาจําหัวใจของเราทั้งหมดเต็มไปด้วยกิเลส ทรรมที่เข้ามาสู่จิตใจขอเราก็กลายเป็นทํามจดธรรมจำไปเสียไม่ใช่ธรรมจริงงา น, นหากว่าเป็นธรรมจริงแล้วต่างคนต่างเรียนมาได้ด้วยกันทําไมกิเลสจริงไม่หมดจากหัวใจเป็นใจอยู่ทั้งๆที่เรียนรู้ทุกสิ่นทุกอย่างจนกระทั้งถึงนิพพานแต่ใจก็ยังไม่ค้นจากความมีกิเลสจิตเต็มตัวนี่มันตอมอย่างนี้เองหากว่าเราได้นําธรรมะของพระพุทธเจ้า ทางด้านปริยัติและด้านปฏิบัติออกแสดงด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้โดยถูกต้องแล้วธรรมะจะจริงไปตั้งแต่ความจดจำ mm hmm. เพราะจดจําเพื่อจะเป็นแบบแปลนแผ่นถังจริงให้จดจําศักดแต่ว่าจดจําแล้วไม่ทําตามแบบแปลนแผ่นถัง mm hmm. เช่นเดียวกับบ้านข mm hmm. องเราจะมีกี่แปนก็ตามมันไม่สําเร็จ เป็นบ้านเป็นเดือนขึ้นมาได้ก็ ม, มีแต่แปลนเท่านั้นี่ร้อยี่พันแปนก็เป็นแต่แปลนเรียกบ้านไม่ได้จนกว่าผู้นั้นจะถูกสร้างบ้านหลังนั้นๆขึ้นมาตามแปลนนั้นๆให้สมบูรณ์แบบตามแปลนแล้วจึงจะเรียกว่า บ, บ้านนั้นสมบูรณ์ได้การจดจาเพื่อจะไปพิส ป, ปิบัติเป็นอีอ ย, นอย่างการจดจําเฉยๆเป็นอีอย่าง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 ศา ส, สนาหรือบุคคลจะเป็นผู้เด่นด้วยคุณธรรมเด่นด้วยความประพฤติเด่นด้วยความรู้ความเห็นที่เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นแจ่มตนและส่วนรวมมากมายกายกองทีเดียวอันนี้ศาสนาก็สัพแต่ว่าจําได้มีในคำพูดใบลา้เฉยตัวคนก็ไปอีกแบบการความจดจําก็เป็นอีกแบบหนภาพปฏิบัติก็เป็นแบบมันเข้ากันไม่ได้ทะเลาะ ก, กันทั้งวันทั้งคืนภายในบุคคลคนเดียวนั่น ที่นี่ก็ทำให้เป็นการแสดงแทงตาทางใจของคนอื่นสะดุดใจคนอื่นเสเหมือว่าทาไมพระพูดเราว่าถือกุศสนาแล้วทำไมกลับเป็นอย่างนั้นอนั้นมันถูกเรื่องของเขาที่เขาํำเนี่เราหาที่ค้านเขาไม่ได้ส่วนไหนที่ผิดเราต้องยอมรับพบหากแนะนำการปฏิบัติออกเป็นคู่เคียงกับไปิยกแล้วผลจะเป็นา ก, การกด สิ่งใดที่ปรากฏขึ้นด้วยใจจากการปฏิบัติได้รู้จริงเห็นจริงตามขั้นตามผลของตนแล้วจะพูดได้โดยถูกต้องตามหลักแห่งการปฏิบัติที่ได้รู้ได้เห็นมาชั้นนั้นๆไม่สงสัยและการพูดก็มีความอาจอาจหาด้วยเพราะรู้จริงๆเห็นจริงๆแต่รับประทานที่ไหนไม่มีทางรับประทานเพราะไม่ได้รู้ได้ครับไม่ได้ไปยืม้องใครมาพูด เอาออกจากสิ่งที่รู้ที่เป็นที่เห็นที่เข้าใจแล้วมาพูดจะผิดไปที่ตรงไหนไหนจะสะทกสะท้ า, ทานหาอะไรเพราะต่างคนต่างหาความจริงอยู่แล้วเราก็รู้ความจริงตามกำลังของเราพูดออกตามความสามารถของตนจะมีความสะทกะทานที่ไหนไม่มีพระพุทธเจ้าองไม่เคยทา ร, ราบว่าพระองค์ไปยันเรื่องพระนิพพานมาจากไนนอกมีองค์แปด มัชฌิมาปฏิบัทาก็ามาซื้อมาจากที่ไหนวงขุดค้นขึ้นตามกลังความสามาถของโองเป็นประทั่งให้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นที่พอพระไทยน้นำมาสอนโลกได้ทั้งนั้นใครจะไปสามารถยิ่งกว่าพระพธธุทธเจ้าทั้งที่ไม่ทรงเรีนยนมาจากไหนยังเป็นสัพพนูรู้โดยพระองค์เองด้วย ในศาสนาถ้าอยากจะให้มีคุณค่าสมกับศาสนาเป็นของมีคุณค่าแล้วคนก็ควรจะทำตัวให้มีคุณค่าขึ้นมาตามหลักศาสนาที่ท่านสอนไว้ภายในตัวเองก็ได้รับผลรับประโยชน์ไม่ต้องแบกคัมภีอยู่เฉยๆให้หนักบาแต่นอกจากนั้นจิตใจก็ยังไม่มีพิเรนตัวไหนที่พอถลอกมันมันก็ไม่เกิดประโยชน์และไม่สมชื่อสมนามไม่สมกับความ กัาพระประสงค์ที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อถอดถอนกิเลสอาไว้ตามหลักธรรมเรากลับมาแบกกิเลสด้วยการจดการตามการเรียนเรื่อมากน้อยเลยเข้ากันไม่ได้เนื่ยทำกลายเป็นโลกมันเป็นได้อย่างนี้เองทำเป็นธรรมก็ดังที่ว่าเรียนมาแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วต้องรู้ความจรงิงเพราะในแง่การสอน ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนั้นเป็นส่อคล้ายธรรมด้วยกันทั้งหมดไม่มีทางที่จะผิดและแเป็นความผิดนอกจากผู้ปฏิบัติจะเป็นความผิดเพอบานทางตนเองแล้วปฏิบัติไปนั้นมีทางผิดได้เพราะฟีนเดี่ยวกับความจริงคือธรรมที่พระองค์สอนไว้าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้า หากเป็นองสินค้าต่างๆนี้ประกาศท้าทายได้เลยไม่ว่าจะนำไปสู่ตลาดใดที่มีวัตถุอินอื่นสินค้าอื่นอยู่มากมายกายคองเพราะนำสินค้าคือศาสนธรรมนี้ออกไปถึงจุดใดจุดนั้นตลาดลบไปหมดเพราะคนหาของดีอยู่แล้วจะหอ่าน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 ท่านผู้ใดมีความรู้ความเห็นมากมาเทียงไหก็เป็นการถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นค่าสิทิ์แต่ตนและผู้อื่นออกได้มากน้อยเทียงนั้นแล้วไหนจะไปเทอ่ยวโอ้เท้าอวดซึ่งเป็นการส่งเสริมกิเลสขึ้นแล้วก็ไม่สมกับว่าปฏิบัติเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลส อ, อีกเว้ยเพื่อเห็นนี้เองผู้ปฏิบัติเป็นธรรมรู้มากรู้น้อยเทียงไรท่านจึงเป็นไปด้วยความสงบ ควรจะพูดหนักเบามากน้อยท่างกับพูดไปเสียให้คนพูดก็ไม่หนักอยู่ไปแบบสมณะคือสงบด้วยเหตุด้วยผลพูดไปพูดด้วยเหตุดยผลเนี่ยที่ท่านว่าสมนานันจะดับสนังเอตมังคารมุตตมังการเห็นสมณะพูดสงบจากบาปเป็นมงคลอันสูงสุด สมณะตั้งแต่สมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขึ้นไปหน้าที่หนึ่งพระโสดาที่สองสกิทาคาอ น, นาคาพระรหัสเป็นเรียกว่าสมณะเป็นขั้นขันถ้าเราพูดในเป็นบุคลาธิษฐานหมายถึงท่านกู้เป็นสมณะตามขั้นภูุ่มแห่งธรรมนั้นๆเช่นพระโสดาพระสกิทาพระอ น, นาคาพระรหัสก็เป็นมงคลแก่ผู้ได้เห็นได้ยินได้กล่าว บ, บ่าวบูชาท่าน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 องคไหนท่านเป็นพระโซดาองคไหนท่านเป็นพระกีธาองคไหนท่านเป็นพระอนาคาองคไหนท่านเป็นพระหันองคไหนท่านก็มีมีเบอร์เหมือนเบอร์ในร้อยในพันจะไปรู้ท่านได้ยังไงถ้าท่านเป็นพระโซดาสกิทาคาอนาคากินจะไม่มีทางทราท่านได้ด้วยอากัปทิริยาที่ท่านจะมาแสดงถ้าท่านจะมาแสดงออกท่าออกทางดังที่โลกสกปรกทำกันอย่นี้ท่านไม่ทําท่านทําไม่ลงไม่ใช่วิสัยที่ท่านคุยสะอาดคู่ มุ่งต่ออัตถธรรมผู้เป็นอัตถธรรมแล้วจะทำได้อย่างนั้นการที่จะหาสมณะอย่างนี้มากราบมาไหว้มันไกลไปมันดูห่างเหินห้จาจะได้พบพระท่านเมื่อไหร่โอวาทอันไหนท่านสอนบุคคลลงเพื่อให้บรรลุถึงสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามนำโอวาทนั้นเข้ามา ปฏิบัติต่อตนข้างนอเพื่อให้สําเร็จเป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขึ้นมาพายในใจิตใจของเรานี้เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งเรียกว่าจับถูกตัวเลยไม่ต้องไปตามร่องตามรอยหรือตะคุกเงาที่ไหนให้เสียเรืานีใหลักอ้าวเราพบครูบาอาจารย์ผูท่านเป็นอดเป็นธรรมเป็ผู้มีกาววาจาใจสมระที่ทนหนึ่งที่สองที่สามก็เป็นการดีเมื่อพบแล้วเราอยาให้พลาดจากสมณะที่ห่งที่สองที่สามซึ่งจะ เกิดขึ้นหน้าทานในจิตใจของเราด้วยการปฏิบัติของเราที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงปู่ข่าจะทุนได้รับผลโดยทั่วถึงการเมื่อเหตุสมบูรณ์แล้วอื่จะเป็นน้อมเข้ามาหาเราโสตาก็แปลว่ากระแสรกระแสพันธุพานภาคถึงถึงเราก็จะไปฆ่าไปหมดล้วกระแสรพระตถาเป็นยังไงกระแสกว้างแคบลึกตื้นยาวละเอียดขนาดไหนจะฆ่าปไปนั้นเนี่ยเป็นโลกไป โสตะแต่ละกระแสพูดถึงกระแสพลาดทิงขอให้มีความล่อมเย็นภายในจิตใจเถอะจากกระแสไม่กระแสก็ตามจิตดวงนี้เองจะเป็นพระนิพพานไม่ใช่อะไรจะเป็นพระนิพพานบ้านเป็นบ้านเรือนเป็นเรือนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินฝ้าอากาศเป็นแต่ละชิ้นอันของเขาไม่สามารถที่จะมาปรับตรุงให้เป็นพระนิพพานได้หรลย แต่ปรับปรุงให้เป็นพระโซดาก็ไม่ได้ท่าสกีทาคาคก็ไม่ได้พระอน า, าก็ไม่ได้พระอรหันต์ก็ไม่ได้แล้วจะปรับปรุงให้เป็นพระนิพพานได้อย่างไงนอกจากจิตดวงเดียวทั้งนี้เป็นผู้สามารถที่จะเป็นไปได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่ปลุกปิดกบาบังงูมิดปิดตาอยู่ภ า, ายในจิตใจนี้ออกได้ไประเดินแบบความสงบมาเอง ที่ไม่สงบก็ะเพาะสิ่ง น, นี้เป็นผู้ก่อควรเป็นผู้ดุ่ยแย่ให้วุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนดนเดินมั่งนอนหาแต่เรื่องวุ่นวายตัวเองก็คือเรื่องของกิเลสจะให้คนสงบได้อย่างไงเรื่องของกิเลสยิงไม่ใช่ของดีแต่ให้แต่อะไรมาสมแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิตลอดเนี่สัตว์ทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นถือเป็นของดีงนี้ก็ต้องได้บ่นกันอื้อไปหมดมันดีทั้งได้บ่นกันการที่จะได้บ่นตั้งนานี้ก็เพราะเรื่องของกิเลสพาให้ดึก เกิดทุกข์เกิดความลำบากให้โดยบนหาจินสร้างสมณรธรรมขึ้นที่นี่สมณะแปลว่าความสงบเมื่อสงบแล้วก็จะค่อยกลายเป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ขึ้นไปโดยลำดับภายในจิตใจของเราการปฏิบัติเพื่อบรรลุสมณะทั้งสี่นี้ปฏิบัติอย่างไรนายธรรมจะกลับวัฒนสูตรท่านแสดงไว้เป็นรวมๆไม่ค่อยละเอียดอะออะไรมากนะ ทุกขังอริยสัจจังศัจจธรรมอันหนึ่งท่านว่าชาติไปดูขาชาลาไปดูขามมานำไปดูขังโสกกะไปเทวทุกโรมาสุปายากเลื่อยว่าไปนี่เป็นเรื่องของความทุกข์ทุกนี้ที่แสดงตัวมานี้มีสาเหตุเป็นมาจากอะไรก็เป็นมาจากความเกิด เกิดเป็นต้นเหตุที่ให้เกิดความทุกข์อย่างนี้ตัวเกิดจริงๆเป็นต้นเหตุมาจากอวิชชาปฏิยาสร้างขา้าระน่ะแล้วอะไรที่ทําให้เกิดขึ้ไม่ใช่อวิชชาปจิยาสร้างขาลาจะเป็นเพราะอะไรท่านขึ้นตรงนั้นเลยถ้าอาจารย์มั่นท่านแยกตรงนี้อีกน่าฟังมากทวัดทิฏฐิปูพูตังอวิชชาปจิยาสร้างขาหน่ะอวิชชามันไม่มีที่ที่อยู่ที่อาศัยไม่มีที่เกิดไม่เกิดได้อย่างไรมันอยู่ได้อย่างไร ก็ต้องอาศัยถีติภูตังคือธรรมชาติที่เป็นเป็นอยู่คือธรรมชาติที่รู้ทันไหวหมายถึงใจทันภูกแยกออกมาถีติภูตังอวิชาปัญญาสร้างคารานี่เป็นสาเหตุที่จะให้เกิดเป็นพพเป็นชาติขึ้นมาอันนี้เลยอันนี้มีแยกออกเป็นสามประเภททันธิราคาตากาตตาตาลาธ น, นมีเส้ยให้ดังกามตันหาภวสารยิภวตันหา นี่แหละคือสมุทัยสมมติสมมติดอย่างอริยสัจจังสมุติทายอริสยสัจจังก็ได้นี่ก็เป็นอริยสัจแล้วจะนําอะไรเข้ามาแก้สมุทัยสัจจ์นี้ร้วนนี้ตั้งแต่สิ่งที่จะทําปิดให้ขุน ม, มัวเป็นเรื่องเป็นธรรมชาติที่วกวนจิตใจให้ขุน ม, มัวจนเป็นตมเป็นคนได้ทั้งนั้น ในบรรดาสมุทไทยมากน้อยที่กล่าวมันการมาตัญหาก็ตามเพราะว่าตัญหาก็ตามดีภาวะตัญหาก็ตามปเป็นความหิวความโหยความทนอยู่ด้วยความภาสุขสบายไม่ได้ความหาความสงบสุขอยู่ด้วยลําพังตนเองไม่ได้เพราะคำมาตัญหาต้องหิวต้องโหยต้องดิน้นต้องร้องดิ้นไปทางโน้ดิ้นมาทางนี้ดิ้นประทันหนึ่งเป็นการปัะหาดิ้นมาทันหนึ่งเป็นภาวะตัญหาดิ้นประทันหนึ่งเป็นยวุวะตัญหามันล้วนแล้วตั้งแต่ ความหีหวโหยที่จะทําให้จิตใจดิ้นด้วยอำนาของที่เด็กเหล่านี้เป็นเครื่อ ง, งควบขี่บังคับหรหรีดไถ่พูดง่ายๆเอาอย่างนี้นทุกจิตที่ทรงตัวไม่ได้ตามปกติของจิตก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ทําลายนี่เป็นผู้ก่อกวนเป็นผู้ยุ่ยแย่เป็นผู้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะแก้นี้ด้วยวิธีใดท่านจะสอน สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปขึ้นเลยนี่มัคคะอริยสัจจงเป็นเครื่องแก้ธรรมชาติที่ก่อความวุ่นวายให้จิุดมีความละสัมละสายไปเพราะอำนาจแห่งความหิวโหวยทนอยู่ไม่ได้ไม่ว่าศาสนะบุคคลถ้าเกิดความหิวโหวยขึ้นมาแล้วไ ม, ไ, าาไม่ได้ทางสุจริตเอาทางสุจริตไม่ได้ทางแจงเอาทีลบเอาเ็นได้เพราความหิวโหวยมันดีบกันบ้างครับให้ต้องทําำเหตุตปอาความหิวโหวยคือ ปัญหาสนับแปลว่าความทะเยทยานความอยากหมายถึงความหิวนั่นเองมันทับมันบีบบังคับจิตใจให้ต้องเสือดต้องคลานไปต่างๆนานาเพราะอยู่ใต้าน้าทของมันต้องเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะเหตุนี้เองแต่ทุกเพราะอะไรเพราะทุกข์เพราะสมุทัยเป็นผู้ล่าผู้เข็นให้ถลอกปอกเปิดไปทั้งวันทั้งคืนดนเดินนั่ะอาการทิศพิออกมาแง่ไหนนี้จะทุกข์สมุทยมัยนี่ฉุดลาาเข็น เป็นตีทั้งนั้นแล้วเราจะอะไรมาดับสิ่ง น, นี้มากแก้สิ่งนี้ต่างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวจจะสัมมากมุโถสัมมาอาคิวโวสัมมาวายเนสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหละเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะต้องปราบปรางษิดเดชทั้งสามประเภทนี้ให้สิ้นซ่าลงไปจากจิตใจไม่มีเครื่องมืออื่นใดที่จะเหนือไปกว่ามัชฌิมาปจิบทานี้นะักเนี่ย สมาธิความเห็นชอบเห็นอะไรถึงชอบเวลานี้มันเห็นผิดทั้งนั้นการมาตัญหาคือความเห็นผิดเพราะว่าตัญหาคือความห็นผิดที่เพราว่าตัญหามันร่วนแด้ตั้งแต่เป็นเรื่องของความผิดทั้งนั้นมันถึงได้เป็นกล่องถูกอืมทำไมมันถึงชอบทําไมมันถึงรักรากเพราะเหตุไรมีปัญญาโค้นลงไปมันก็ไม่หนีจากกายมุงกันรักการนี้ก่อนอื่นรักการนี้ก็รักการนั้นอืมระหว่างการมาตัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ แยกหาเหยืห่อหาขนออกมานักเพราะอะไรลักเนื้อลักหนังลักเอ็นลักกระดูกลักผมรักขนงั้นหรือของใครของเรามันเป็นเหมือนกันลักอะไรมันแยกให้เห็นผู้ทิฏยาที่แยกหรือทําการแยกเช่นนี้ท่านเรียกว่า ม, มาักสัมมาทิฏฐิคือปัญญากากรองกันกรองดูหาสิ่งที่มันยึดมันถือว่ามันยึดถืออ้อะไรมีสาระคุณอะไรมันถึงได้ยึดได้ถือความยึดถือ แทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความถุกความสบายมันกลายเป็นไฟขึ้นมาทั้งกองให้เกิดความลําบากลำบนทุกข์ทรมานเพราะความยึดความถือความยึดต้องถือมาจากความนั่งทนติดเข้าใจว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเรามันเป็นความผิดไปทั้งนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้ให้เห็นตามความจริงของมันอืรมศรนิธิเจนากายอกายและตาสติเอ้าพิจารณไปทั้งข้างนอกข้างในข้างบนข้างล่างภายในภายนอกพิจารณาให้ละเอียดวถึง ทำแล้วทำเหล่าจนเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนนี่เรื่องของปัญญามีเป็นเครื่องปราบความอยากความหิวความกระหายซึ่งเกิดขึ้นจากอาํานาจของกิเลสไม่มีอันใด ท, ที่จะระงับหรือดับถึงอันนี้ให้มันหายความอยากนี้ได้นอกจากสัมมาทิฏฐิสามมาสังโปรอันเป็นอมตะแบบนี้เท่า น, านั้นนี่มัคคะอริยสัจจ์มีเครื่องมือ ดำเนินก็ดำเนินตามนี้ปัญญาเป็นเครื่องมือคว้าฟันลงไปที่จมหนาตรงไหนที่มืดที่ดำตรงนั้นแหะอสราพิษมันอยู่ที่ตรงนั้นที่ปัญญาดังตามไม่ถึงที่ตรงไหนตรงนั้นจะจเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาขึ้นมาที่ตรงนั้นปัญญาสอดแทรกลงไปไม่เห็นลมกระตางความคิดแล้วเปิดเผยขึ้นมาอืมไม่มีคำว่าสัไม่มีบุคคลไม่มีสัตว์ไม่มีเขาเราไม่มีมีได้ยังไงปัญญา อย่างรถึงความจริงเนี่ยสิ่งนี้เป็นเรื่องจอำป้อมจำป้อมเกิดมาจากที่เด็กเป็ผู้เสดสังเท่านั้นไม่ไม่ใช่ผู้อื่นใดที่จะมาเสดสังทีนีปัญญาตามล้างช้าล้างให้สะอาดลงไปในของเจ้าปลวกเหล่านี้อถอนตัวขึ้นมาที่ถูกกดผ่วงครอบหน้าอุปท า, านมาเป็นเวลานานปัญญาเป็นพูดถอดถอนขึ้นมาอถอนก็นมาสิไม่ปักปัเนเศษแดงาว่านั่นเป็นเราเพิ่งเรา เศษแดนของเราที่ทําให้ความเกิดความทุกข์ความลําบากเฉพาะอย่างยิ่งก็ในวงแห่งขันทั้งห้านี่ยมันเป็นเศษแดนที่เราปัดปันเราอืมนั่นเป็นเรานี้เป็นเราเมื่อเป็นเราหนังเป็นเราเอ็ก็เป็นเราก็ดูกเป็นเราแขนเป็นเราขาเป็นเราเป็นของเราอาวะทุกชิ้นทุกส่วนเป็นเราเป็นเราเต็มอยู่นี้หมดเนี่ยนี่มันปักปันจุดแดงทั้งๆที่สิ่งบนนี้เขาไม่รับทราบรับมู้อะไรจากเรา แต่เราไปปรับปันเจลี่ยดแดดเอาเมือม่อมีอะไรมาล่วงล้าหรือเนียนลายมาสัมผัสซ้ำๆให้เกิดความเปลี่ยนความไม่สบายขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจนอกจากเกิดความทุกข์ขึ้นภายในกายแล้วยังเป็นทุกข์ภายในจิตใจเพราะความรักความโง่หลวนความปรับปันเป็ี่ยนแดน้ น, นั้นเป็นต้นหนี่นต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมัน น่ท่านเรียกว่าพิจณาสัตวจจะทมด้วยปัญญาสมาธิจิสัง ม, มาสังกโปความดาริชนิดใดที่เป็นไปเพื่อการถอดถอนกิเลสปัญญาประดับสังกโปทัานกว่าวยิงสาสังกโปท่าน่าวไม่มทยามาไม่เบืยเดเบียน เรื่องของกิเลสเป็นการพยาบาทเป็นการเบียเดเบียตนตนโดยหลักธรรมชาติก่อนที่จะระบาดออกไปกระเทือนคนอื่นต้องกระทบกระเทือนตนซะก่อนอเบียดเบียนตนซะก่อนอถ้าความหมิ่ิดของจิตเกิดนหน้าของจิตอย่างนี้ยสัมมาสังโปรจรึงต้องแก้กันตรงนี้รวมกันแล้วสัมมาสังโปูกับสม า, สม า, สมาทิฏฐิมันก็เหมือนกับว่าเชือกสองเกลียวที่ฟั่นกันเข้าเป็นเกลียวเดียวนั่นเองอแล้วแต่ เชือกเส้นหนึ่งขึ้นมามีกำลังท่านแยกอาการได้เฉยๆแล้วคือเชือกมุมเส้นนี้เชือกเส้นหนึ่งนั่นแหละรวมทั้งแปดนั้นก็มาเป็นเชือกเส้นหนึ่งนั่นแหละปัญญาเราจะพิจารณาอะไรถ้ามาพิจารณาแก้สิ่งที่ทั่วพันธจิตใจของเราอยู่ล่ะนี่เราแก้ที่ตรงนี้เรียกว่าสัมมาทิธีสัมมาสังกัปโป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 รูปเวทนาสัญญาทั้งขานดิน อ, อยาเอาตรงนี้เป็นเครื่องพิสูนต ร, รพิสูนรสิ่งเหล่า น, นี้อันนี้เป็นป้าหมาแห่งการพิจารณาให้เห็นตามความจริงขึ้นมาประเทศไปที่อื่นไม่สะดวกใจถ้าเทศลงตรงนี้แล้วมันขนัดเพราะนี้เป็นตัวจริงวิเลย ก, ก็อยู่ที่ตรงนี้มรรคก็อยู่ที่ตรงนี้ฤทธิ์ศาสนาธรรม ทุกสมุทัยก็อยู่ที่ตรงนี้นิโรธกำมารก็อยู่ที่ตรงนี้ดับชี้เดปโดยลําดับแล้วนิโรธคือความดับทุกข์แต่ไม่เรียกว่าจะไม่ดับได้ยังไงสติปัญญาเป็นเป็ผู้พลาดพลันชี้เดชทิพย์หายตายลงไปก็เป็นการดับทุกข์โดยลาดับเนี่ยใครจะไปตั้งหน้าตั้งตาทําพิธีดทําการดับทุกข์โดยไม่ต้องดำเนินมาเป็นไปไม่ได้ท่านบอกว่าเอ นิโรธวควรทําให้แจ้งเจ้าอะไรไปทําถ้าไม่อามากไปทําให้แจ้งขึ้นมาซึมนิโรธเราจะพยายามไปทํำนิโรธให้แจ้งเฉยโดยไม่อาศัยมากเป็นเครื่องบุกเบิกทางแล้วไม่มีทางเพราะทำนี้เป็นอาการท่านสอนไม่ตามอาการเฉยๆลักใหญ่แล้วพอจ่อลงไปในจุดหนึ่งจะกระเพื่อนถึงขั้นจะทำทั้งสี่นั่นแหละอืทํางานท้องกันเหมืนกับจับตัวเลขตัวใหญ่ทํางานพร้อมกันในโรงงานอันเดียวกัน ถ้าเราไปแยกไปแยกงั้นเราแล้วเท่านั้นแหละเราต้องพิจารณาลงไปให้เห็นชัดเราใครเห็นทัดถ้าเห็นรูปแันและเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไม่ไหลรูปเป็นรูปเวทนาเขาักดิเป็นนามธรรมหาตนหาตัวหาเป็นสัตว์เป็นบุ ค, คลหาเราหาเขาได้ที่ไหนกับเวทนาไม่ว่าจะสุขเวทนาหรือทุกขเวทนามันมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เราเป็นตนเป็นตัวเป็นจัตจิ็นบุคคลที่ไหนมากมันเป็นนามาทําเพียงองฉะนั้นปรากฏขึ้นให้จิตได้ทราบว่าอาการนี้มันปรากฏขึ้นมาเป็นลักษณะแห่งความทุกข์เป็นลักษณะแห่งความสุขแล้วก็ดับลงไปตามเหตุปัจจัยที่พาให้ดับเปัญญาที่มีทางที่จะทราบได้ตามสิ่งที่มีอยู่เพราะไม่ใช่เป็นของนี้ลัเป็นสิ่งที่เปิดเผยได้สิ่งที่มีอยู่ปรากฏขึ้นมาของอขันนั้นๆ รูปประคันก็เห็นอยู่ทุกวันทุกเวลาพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายพายูนพาเดินก็พารูปประคันนี่เห็นภาพเลยพาอยู่เหตุนาขันก็ทุกเวลาเดี๋ยวนี้มันก็แสดงอยู่ให้เราลุกอยู่ในสุขก็ทุกมันจับเปลี่ยนกันไปมาเนี่ยหละสำคัญที่ใจยอย่ากให้ทุกข์ด้วยทุกข์ให้ทราบว่าขันนี่มันเป็นไอ้จังทุกข์ข้าตาจะให้จิตไปยุ่งกับเขามันก็ไม่เป็นทุกข์ทั้ง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 ซ้ำกันให้มันเข้าใจให้เป็นที่แน่นอนพิจารณาก็ให้พิจารณาเป็นเป็นที่เข้าใจแน่นอนแล้วมันต่อยเองพอให้เห็นชัดเวทนาทุกเวทนามีที่ไหนม้างมีที่ไหนก็คือทุกเวทนาจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นธรรมชาติความขินเขาอยู่เช่นนั้นสัญญากับจาได้เราเคยจำมาเท่าไหร่แล้ว ตัต้งแมันเกิดไปตั้งนี้เราหาอะไรถคาว่ามันเป็นต น, น, นเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลจริงๆล้วเอามาใส่ตู้ก็คงจะไม่มีตู้ที่ไหนใส่ละเพราะมันจำไม่อยู่ในถอยแต่พอจําแล้วมันผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, น ไ, ปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแหเอาสาระแสงสังนไหลกัิสีแของขานหรุ่งวันย่างคำคืนนุ่งนุงปรุงจนจนร้อนหัวอกก็่ีถ้าปรุงมากๆปรุงสะแคบหัวใจจะไม่ทํางานเคลียไปหมด สังขารคือความปรุงถ้ามาระงับมันด้วยสติปัญญาไม่มีทางระงับแล้วตายด้วยมันได้จริงๆเช่นอย่างคนคิดมากเพราะความเสียใจเรื่องของกิเลสมันเอาสังขารเป็นเครื่องปรุงเป็นเครื่องหนึ่งมันผลักดันออกมาให้ปรุงไม่หยุดไม่ถอยสำคัญนั้นสำคัญนี้นนทั้งสัญญาทั้งสังขารเป็นเครื่องหนึงของกิเลตแล้วก็พุ่มลงไปที่หัวใจของเราเนี่ให้เกิดความทุกข์ความทรมานไม่ใช่น้อย มากตกนนั้นเป็นบ้าได้คนเดาข้าวขาปิ้งมากอันดีเลยสังขาปิ้วิญญาณก็เพียงรับทราบรับทราบแล้วดับไปพร้อมดับไปพร้อมในขณะคือรับทราบจากสิ่งที่มาทั้งผักมีสาระแต่งสารที่ไหนนี่เราหลงสิงตรงนี้แหละเราไม่หลงที่อื่นนะภายนอกนั่นมันก็เป็น ผลพลอยได้ของกิเลสไปอีกประเภทหนึ่งนนั้นลักใหญ่จริงๆมาอยู่ที่ตรงนี้จึงต้องพิจารณาที่ตรงนี้ให้เห็นชัดนี่เรียกว่าดำเนินมรรคกับมรรคปฏิปทาหรือเรียกว่ามรรคสัตว์เครื่องแก้ความรุ่งหลงความดิตมั่นถือมั่นของใจให้ถอดถอนตัวออกมาใจจะได้สบายหายห่ยหวงจากสิ่งเหล่านี้ มันปล่อยวางได้แล้วอันนี้มันก็ไม่ถึงการพิริรมันมันก็ไม่สลายถึงแม้จะยึดถือมันจะทลายก็ตามเมื่อถึงการมันแล้วห้ามไม่ฟังมันก็ไปเข้ามาเพราะเป็นคติธรรมนาซึ่งเรียกว่าทางหลวงใครจะไปกั้นกลางของห้ามไม่ได้มันต้องเดินตามทางหลวงตามคติธรรมนาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากทั่วโลกดินแดนเป็นหนังด้วยกันทั้งนั้นจะมาเรียกว่าเป็นทางใหญ่ทางหลวงได้อย่างไง ใครจะไปติดกังกันห่วงห้ามให้นเป็นไปได้ร<ม>ือพิรณ า, าให้เป็นไปตามความจริงของมันที่เรียกว่าโคนไม้ตามลมอย่าไปขัดขวางทำโรยเจ้าให้รู้ตามความจริงใจก็จะสบายใจอยู่กับกิเลสใจอยู่กับความวุ่นวายผลแห่งความวุ่นวายก็คือความทุกข์เราเคยเห็นโวกขมันมาแล้วทีาาว่ให้ใจอยู่กับธรรม ใจอยู่กับสติใจอยู่กับปัญญาใจะจะได้มีความปลอดภัยใจะจะได้มีความร่มเย็นขึ้นชื่อว่ะพิเลนแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนถ้ายามแก้ให้หมดแก้ภายนอกได้แล้วเข้ามาแก้ภายในธาตุในขันภายในธาตุในขันแล้วแก้ภายในจิตด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกันจนกระทั่งทะลุอุปโภคไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยคำวมตตนมาตัววาฏฏะวัตุ ค, คลมันหมดปัญหาไปในทันทีทันใดเมื่อพิเรน ซึ่งเป็นตัวเศษสรรว่าเป็นสัตว์มีบุคคลได้จิ้นลงไปจากจิตใจแล้วมันหมดไปเองธรรมะถัด ก, ก็ตามบุคคลก็ตามไม่คิดให้เสียได้แล้วใลาจริงอย่างไรก็อยู่ตามความจริงล้วนๆนันเพื่อผู้หายกังลวลอเราหายจริงๆหายที่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่สัจธรรมที่นี่สัจธรรมก็คือทุกข์กายทุกข์ใจ นี่เรียกว่าทุกขสัตว์สมุทยัยเรื่องของจี่สัญหาสมวะทั้งมวนี่เรียกว่าสมุทายสัตว์มัดมีสมาธิเป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดนี่คือเครื่องมือเรียกว่าสัจธรรมประเภทหนึ่งเป็นเครื่องแก้กิเลสคือตัวสมุทยัยให้หมดสิ้นไปนี่รวดก็ดับไปตามปันโดยลํานังดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอด ในสมูทายตัวทั้งคำซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจโดยเฉพาะไม่มีอะไรเหลือแล้วนีโรดแสดงความดับทุกเพราะทิเลตดับไปจากใจในขณะนั้นขณนะนั้นอย่างเต็มผูมผู้ที่รู้ว่านี่ทุกดับไปทิเลตดับไปเพราะสมูทายเป็นเครื่องทําลายนั่นคือวิมุตไม่ใช่สัจธรรม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 อันเป็นจุูที่ต้องการแล้วบันไดกับเราก็หมดความหมายกันไปดังนั้นมีเรื่องของมรรคคือสติกับปัญญาเป็นต้นเฮียทําหน้าที่ให้สมบูรณ์เต็มภูมิจิตได้ถึงขั้นแห่งความหุดพ้นแล้วเรื่องสติปัญญาที่จะเพื่อแก้ไขกิเลสปัญหาสวรทั้งมวลก็หมดปัญหาไปต่างๆกันนี่แหละคือความเด็ก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 เป็นภูมิแล้วนั่นแหละคืออันเป็นมง ค, คลอันสูงสุดเป็นภูมิที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่อยู่ในที่อื่นใดสัจธรรมก็ดีสมนาที่สี่ก็ดีหรือตั้งแต่ที่หนึ่งที่สองที่สามจนกระทั่งถึงที่สี่ก็ดีอยู่กับผู้ที่รู้รู้นี่แหละเป็นผู้ที่จะนรรับทราบเป็นผู้จะส่งไว้ซึ่ง สมณะทั้งสี่แลวเป็นผู้ที่จะทาหน้าที่ปลดเครื่องตนออกจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายจนถึงขั้นอิสระเสรีคือสมณะที่สี่รวมอยู่กับเรานี่ทั้งหมดสรุปแล้วอยู่กับผู้ที่รู้เวลานี้ผู้นี้เป็นผู้ตายตัวอย่างยิ่งคงเส้นคงวาที่จะรับทราบทุกสิ่งทุกอย่าง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 ไม่มีอะไรเหลือแล้วธรรมชาตินี้จึงทรงตัวได้อย่างเต็มพูนนี่ถ้าเป็นบุคคลก็เรียกว่าสมณะที่สี่อย่างเต็มพูนถ้าเรียกว่าเป็นธรรมก็อรหัตต ธ, ธรรมยุภนาจิตดวงนั้นผิตดตรงนั้นเป็นธรรมทั้งทั้งดวงผิดเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเป็นได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะค้านไม่มีอะไรที่จะแยง้งเมื่อไม่มีกิเลสมาแย่งแล้วไม่มีอะไรแยง้งกิเลสหมดไปแล้วจะ อ, อะไรมาแยง้งไม่มี นั่นความหมดเรื่องหมดราหมดอะไรหมดที่ตรงนั้นความดับทุกข์ดับที่ตรงนั้นดับพบดับชาติดับที่ตรงนั้นที่อื่นไม่มีที่ใดเป็นที่ดับการไปเกิดภพเกิดชาติก็คือผู้นี้แหละเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติเพราะเชื้อของพบของชาติได้เกิที่ใดอยู่กับกกจิตจิตจึงต้องเล่ย์เล่ย่อนๆ่อไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ได้รับความทุกข์ความหลาดม า, มาโดยลาดับํานาเพราะมีเชื้อพาให้ไป มีเครื่องหนุนพาให้ไปเมื่อสนัดปัดสิ่งปัด จ, จัยหรือเครื่องหนุนอะไรเชื่ออะไยออกหมดแล้วจึงหมดปัญหาหมดลงที่เสื่อมนี้ขอให้พากั น, นพิจารณาเอาให้ได้ทานี้เป็นหน้ามีได้สามารถรู้ได้เห็นได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งนังปวดเรืราา่องคารวะด้วยการปฏิบัติของตนไม่ขึ้นอยู่กับเพศต่อมใเลยทั้งสิ้น มัก็ยึติดเพียงเท่านี้